ตอบทรงปรารพภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปมีพรรษาครบสิบสองแล้วแต่สงฆ์ยังไม่ได้สมมุติบวดให้กุลธิดาในสิกขาบทที่หนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสสมุดฐาน เป็นธุติยปาราชิกสมุดฐานละ